เราพากันตั้ง อ, อกตั้งใจเรามาชุมนุมกันในศาลาการป ร, รียนนี้ก็มุ่งหมายก็เพื่อที่จะมาทำความสงบกายสงบใจไม่ได้มุ่งอย่างอื่นเมื่อความมุ่งหมายมีอย่างนี้ก็ทำใจของตนลงไปในขนาดนี้แหละ อย่าไปอ้างว่าเมื่อไปถึงกุฏิแล้วจึงค่อยนั่งภาวนาจึงสำรวมจิตอย่างนี้ไม่ถูกเราถือเอาปัจจุบันเป็นที่ตั้งเราอยู่ที่นี้เราก็ภาวนาอยู่ตรงเนี้ยกำหนดใจให้แน่วแน่ลงไปเพราะว่าใจที่ไม่ ได้ฝึกนี่นะมันสงบลงไม่ได้มันย่อมยึดเรื่องหดเรื่องหนึ่งเป็นอารมณ์แล้วก็คิดปรุงแต่งเลื่อยเปลยพระยงนั้นแ่ะจิตที่ไม่ได้ฝึกให้สงบนะดังนั้นเนี่ยเราจึงมีการฝึกกันพยายามขมจิตเอาสะกดจิตไว้หายใจเข้ากอดสะกดจิตไว้อย่าให้มันคิด หายใจออกก็สะกดไว้อย่าให้มันคิดอืมอันนี้เดียวกับพูดกันอย่างรวบลัดตัดตอนเราฝึกตัวเองไหมเขา่าอย่างนั้นแหละตัวเองฝึกตัวเองตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่ค่อยได้คิดว่าจะฝึกต้นไม่คิดว่าจะทําจิตให้ส ง, งบ มีแต่ปล่อยจิตให้ไหลไปตามกระแสของโลกนี่ส่วนมากเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นผู้ใดมารู้ตัวแล้วว่าการปล่อยจิตให้ไหลไปตามกระแสของโลกนั้นนะมันพ้นจากทุกไปไม่ได้มันเกาะมันคล้องอยู่ในโลกนี่แล้วมันก็เป็นทุกอย่างเช่นที่เราเกิดมาในปัจจุบันนี่นี่ยมีรูปมีกายอันนี้มาแล้วก็ต้องมา ธนุถานนอมมาดูแล ร, รักษากันอยู่อย่างนี้ประคบปางงมกันอยู่อย่างนี้เพราะร่างกายเนี่ยมันเนื่องอยู่ด้วยอาหารถ้าไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วมันก็ทารุดทรุดซมไปเท่านั้นเองนะตั้งอยู่ไม่ได้เลยงานนั้นจริงตรงไหหาเลี้ยงมันอยู่เนี่ย นี่เราดูเอาในปัจจุบันนี้นะเนี่ยความคล่องอยู่ในโลกมันเป็นอย่างนี้แหละนีอก็ดูเอาในปัจจุบันนี้เลยในอดีตที่ล่วงมาแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละจิตมันก็คล่องอยู่อย่างนี้ก็เป็นทุกข์อย่างนี้เหมือนกับปัจจุบันนี้เองในอดีตที่ล่วงมาแล้วก็ดีถ้าหาว่าปล่อยจิตให้มันคล่องอยู่นี้ ต่อไปอนาคตเบื้องหน้าก็จะเป็นอย่างอย่างอยู่ปัจจุบันนี้แหละเป็นทุกคทนได้ยากลำบากไอ้คนที่มีกิเลสตัณหาย้อมจิตให้หนาแน่นเข้าแล้วมันไม่รู้สึกเป็นทุกข์เท่าไหร่หรอกมีแต่ความลื่นเลิงบันเทิงอยู่ในใจ มองมาเห็นทุกข์เมื่อกิเลสตัณหามันย่อมจิตนะนั่นแหละมันมองมาเห็นทุกข์เลยผู้ที่มองเห็นทุกข์ได้นั้นก็เพราะเพิกตัณหาอาวิชชาออกไปเมื่ อ, อวิชาตัณหามันเพิกออกไปใจสงบใจผ่องใสขึ้นมาเนี่ยอะไรมา กระทบน้อยหนึ่งก็รู้สึกได้เมื่อใจมันสงบผ่องใสอยู่นะมันเป็นอย่างไั้มันต่างกันนะถ้าใจถูกกิเลสเครือบแฝงอยู่อุ้มพ่ออยู่อย่างนี้นี่อารมณ์ต่างๆกระทบกระทั่งไ้มันไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่หรอกมันแฝงอยู่ด้วยความอยากความปรารถนา มันไม่ค่อยเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นโทษอะไรเพราะมันมุ่งอในสิ่งที่ตนชอบใจนั่นเป็นอารมณ์เมื่อได้สิ่งที่ตนชอบใจมาแล้วถือว่าเป็นความสุขสบายดีนีเน่เมื่อยังไม่ได้สิ่งที่ตนชอบใจมันก็เป็นทุกข์กรนกวายคิดแสวงหาอยู่อย่างนั้นเนี่ยการแสวงหาไม่ใช่ว่ามันเป็นสุขเมื่อไร เจนทุกอย่างรายกาดเพราะว่าเสี่ยงภัยอันตรายบางคนก็เลยถูกฆ่าตายเท้าก็มีก็พระความอยากได้ทรัพย์สินเงินทองภายนอกนั่นเนี่ยเป็นมูลเหตุเอดี๋ยวไปกระทบกระทั่งกับผู้อื่นเข้าเขามาวางแผนสังหารเสียนี่ไอ้เรื่องความอยากได้ทรัพย์ยศศัก อะไรในโลกสันิบตัตอันนี้มันเต็มไปด้วยภัยอันตรายอย่งวันเพราะพรธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็พิจารณาเห็นอย่างนี้แหละจึงได้ละความอยากความปรารถนาในโลกนี่ลงเมื่อความอยากมันน้อยเบาวางออกไปจากจิตใจนี่ได้เท่าไรใจมันก็สงบเข้าไปเท่านั้นแหละ ใจมันก็เยือกเย็นสบายไปเคยร้อนแล้วอุมาแต่ก่อนก็ค่อยพรอนนักเป็นเบาไปเรื่อยๆไปข้อนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้เองเห็นเองคนอื่นรู้ให้ไม่ได้เนอกดังนั้นให้พากันเท่งพินิษฐ์พิสูจน์ดูตัวเองให้รู้เมื่อตอนเองละความอยากความปรารถนา น, นั้นลงไป แล้วอย่างนี้มันเป็นสุขสบายแค่ไหนเพียงไรอันนี้มันก็เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติจะรู้เองขึ้นมาว่เาเมื่อความอยากระ ง, งับไปแล้วความสุขความสบายใจเป็นยังไงมันรู้เองขึ้นมาแบา น, นี้มันเป็นยางไ น, นแต่ถ้าพูดที่ระ ง, งับความอยากไม่ได้มันก็ไม่ได้ความเบิกบานใจเพราะว่าคิดอยากได้ เมื่อคิดอยากได้แล้วไปเสแวงหาบางทีมันก็ไม่ได้ตามประสงค์ซ้าเลยก็ยิ่งหนักใจใหญ่แบบนี้ในโลกสนิบาต์อันนี้มันยุ่งเหยิงอยู่เนี่ยท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านรู้ว่าโรคนี้มันเต็มไปด้วยปัดเต็มไปด้วยความวุ่นวายความยุ่งเหยิงต่างๆอันนี้ท่านก็ไม่ยึดไม่ถือปล่อยวางมัน ตามคําสอนของพระเถรเจ้าก็พยายามปล่อยพยายามวางไปเรื่อยเมื่อจิตมันวางไปได้เท่าไหรมันก็เบาใจไปเท่านั้นออไม่นักไม่น่วงอย่างนี้แหละถ้ามันวางได้หมดจริงๆไอความปานธนาในใจทั้งหมดมันก็ดับไปหมดเลยก็มีแต่จิตรุนรุนจิตองเดียวเท่านั้นไม่มี ส้นหาอะไรแทรกอยู่ภายในนั้นเลยยันนี้ให้พากันสันนิฐานดูให้ดีการภาวนาความมุ่งหวังก็เพื่อที่จะให้กำหนดรู้เท่าทุกตามเป็นจริงแล้วก็เพื่อที่จะกำหนดละสำูมมทยัยอันเป็นเหตุให้เกิดทุกซ้ำๆ ซ, ซ, ซากๆไม่รู้จบรู้สิ้นนั่นแหละ ภาวนาก็เพื่อที่จะได้เห็นโทษแห่งแห่งความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าก็เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเมื่อมันเห็นโทษแห่งความยึดถือเนี่ยว่าเป็นทุกข์ทนได้ยากลําบากเช่นนี้มันก็จะเบื่อหน่ายไม่ยึดไม่ถือค่อยคลายความยึดถือไปทีละน้อยละน้อยไปที่นั่นเรามันก็เห็นด้วยตนเองแบบนี้ผลที่ เกิดจากความคลายเสียซึ่งอุปท า, านความยึดมั่นถือมั่นน่ะผลมันจะปรากฏในปัจจุบันนี้ให้เห็นเลยคือความสุขความสงบความเย็นใจนั้นแหละคือผลแห่งการละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นให้คิดดูให้ดีถ้าพูดกันอย่างนี้ พวกเพ่งพิจารณาดูแล้วมันก็มันก็ไม่เห็นตัวเห็นตนอะไรไม่ทราบจะไปให้ละได้ยังไงเอาไม่เห็นยังไงรูปร่างกายนี้ตาหนังเราก็ยังมองเห็นอยู่้วนี้มันช้ำลุทุ่ดโถยไปในกะรู้อยู่นี่ทาไหมจริงะว่าไม่รู้ไม่เห็นส่วนนามธรรมนั่นเราก็รู้ได้โดยการสัมผัสนี้ระหว่างกายกับจิตสัมผัสกัน มันก็เกิดทุกขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างนะเกิดอุเอขาเวทนาบ้างตลอดถึงเวทนาห้าโสมนัสสะเวทนาโทมนัสสะเวทนานี่ความยินดียิ่งความเสียใจยิ่งเรียว่าความยินดีมากความเสียใจมากนี่นะรวมกันเข้าเรียกวเวทนาห้า ไอเวทนาเหล่านี้ก็เกิดจากสัมผัสดังนั้นเมื่อเรามาเพ่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกกับระหว่างกับจิตเนี่ยเราก็รู้ได้เลยว่าอันเวทนาทั้งตานี้มันเกิดจากผัสสะคือความถูกต้องแท้ๆอ่างนั้นไม่มีใครมาสร้างให้ใครหรอกแต่พอจิตกับกายไปสัมผัสกันเข้าแล้ว มันก็เกิดเป็นเวทนาขึ้นถ้าร่างกายเป็นปกติดีไอความรู้สึกสัมผัสกับร่างกายของขิดนี่มันก็เฉยเฉยมันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับร่างกายอันนี้อันนี้ทา่านเขาเรียกว่าจิตเสวย อ, อารมณ์มันเป็นกลางไม่ดีไม่ชั่วไม่สุขไม่ทุกข์ท่านท่านเรียกว่าทางมัชฌิ ม, มา ปฏิปทาข้อปฏิบัติสายกลางอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นแหละให้พึ่งพากันตั้งสติสัมปชัญญะสัมรวมจิตใจของตนเข้าไปมันไม่เหลือวิสัยหรอกว่าแต่ใจเราชอบก็แล้วกันถ้าใจไม่ชอบแล้วก็อย่างว่านหละแน่จะมีพูดแนะนํำยังไงมันก็ไม่เอาอ่ะเพราะมันไม่ชอบนี่ อืมแต่อย่างงั้นที่ไม่ชอบก็เพราะมันมองไม่เห็นมองไม่เห็นหนทางออกจากทุกข์อันผู้ที่ชอบนั้นโอ้พ่อมองเห็นเป็นลางๆไปแล้วอย่ามองเห็นว่าอ้าวถ้าเราม า, าพาคเพียรพยายามละความอยากในหัวใจนี่ให้มันน้อยเบางไปเท่าไหร่ความทุกข์ใจมันก็น้อยลงไปเท่านั้น ความสุขใจมันก็มากขึ้นเมื่อมันมองเห็นทางอย่างนี้ช่องทางอะ้รมันก็ขยันแหละคนเราอ่ะอยากมีความสุขยิ่งขึ้นไปนี่ก็ไม่อยากได้อะไรแต่มันเผย อ, อยากได้มารู้ตัวแล้วก็รีบกาหนดใจละมันเลยไม่ไม่ยึดถือเอาไว้เลยความอยากต่างๆเวลานี่มันเวลาที่เราไม่ควรจะอยากได้อะไร เป็นเวลาที่เราจะต้องกำหนดใจรู้เท่าทุกสิ่งทุกอย่างและกำหนดใจให้สงบนิ่งอยู่ไม่ใช่เวลาที่เราจะไปรู้โน้นรู้นี้อะไรนี่ก็เตือนตนเข้าอย่างนี้แหละบางคนน่ะภาวนาไปแล้วใจไม่สงบก็เดือดร้อนอ เออเราเนี่มันมีวาถนาน้อยหรือว่าไงภาวนามานี่จิตไม่เคยสงบเลยเพราะว่าอไอ้จะว่าบุญว่าสนาน้อยก็ใช่แต่เมื่อเรารู้ว่ามันน้อย น, นเราไม่ทําเพิ่มเติมมันก็น้อยอยู่นั่นเลยไปมันจะหาความสุขให้ยิ่งไปกว่านั้นก็ไม่ได้อีกแล้วนี่มันก็ต้องเตือนตนอย่างนี้ เมื่อเรารู้ว่าเรามีบุญน้อยเราก็เล่งทำความดีให้มากขึ้นสั่งสมบุญให้มากขึ้นไปโดยลำดับไปสุดและแต่เรามองเห็นว่าทำยังไงจะเป็นบุญกุศลเราก็ทำเราพอทำได้ไม่เหลือบากรางอ่ารนี้เราก็ทานี่โดยเฉพาะอภัยทานเราให้อภัยแก่คนทั่วๆไปที่เป็นศัตรูกับตน เทคิดจองร้างจองผานตนอย่างนี้นะตนไม่ไม่ไม่ไมพยายามตอบอโหสิกรรมไม่ไปเลยอย่าให้มีเวรต่อกันและกันเลยอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่างงี้เราเจริญเมตตาแผ่ไมตรีจิตให้อภัยแก่ศัตรูเรื่อยไปทันทําในใจอย่างนี้แล้วกรรมเวรเหล่านั้นมันก็ย่อมดับลง ความคิดอาฆาตพยาบาทจองเวรของบุคคลที่กรงกันข้ามกับตนนนะมันก็ค่อยเย็นลงเพราะว่าอนุภาพแห่งเมตตาธรรมมันก็ไปโดนบันดาลให้ผู้นั้นแหละใจอ่อนลงเพราะว่าการเจริญเมตตาเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลโดยตรงเลยเนี่ยมันมีกำลังมากเรื่องมันนะ่ะ ถ้าเราแพ่เมตตาทั่วไปไม่จำกัดบุคคลอย่างนี้กำลังบุญนะมันไม่มากพอมันก็กระจายไปทั่วมันก็มีกำลังอ่อนไม่สามารถที่จะไปกระตุ้นใจของผู้อื่นผู้ที่วายชนไปสู่โลกหน้านั้นให้รู้สึกตัวได้ให้รู้ว่าเรมีผู้อุทิศสมกุศนมาให้แล้ว กังมังนี่อย่างนี้นะมันรู้ไว้ได้เลยเพราะว่ากําลังบุญมันน้อยผู้อุทิศก็อุทิตทั่วไปเลยอย่างนี้นะแต่ถ้าผู้ทําบุญมากๆผู้มีบุญมากมากอุทิศไปอย่างว่าเนี่ยไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณอย่างนี้มันก็พอพอไปได้พอบุญเขาหลายเขาเฉลี่ยไปให้แก่บุคคล ผู้ที่ควรจะได้รับอนุโมทนาส่วนบุญกุศลนั้นเขาก็ได้รับจริงออออย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะไว้ใจคนอื่นเลยว่าเราตายแล้วขอจะทําบุญหาอย่างนี้นะไม่ควรคิดอย่างนั้นเพื่อว่าเขาไปทําให้ล่ ะ, ะเราก็ยากเราก็ลําบากที่แบบนี้น ะ, ะ, ะเราจะ ไ, ไว้ใจคนได้ยังไงอ่ะ แต่ใจตัวเองตรงเองก็ยังห้ามไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นอย่าไปไว้ใจคนมันจะจนใจเองมันวะ เ, เราทำาอาเสียแต่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยทำเอาให้เต็มความสามารถเนียเรามีช่องทางไหนที่จะก่อให้เกิดบุญเกิดกุศลเราก็ทำเอาแหละเบงั้นเมื่อเราทำถูกทางแล้วกุศลมันก็จเจริญยิ่งขึ้นไป นี่หมายความว่าชีวิตของคนเราเนี่จะมีความสุขมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับบุญกุศลโดยตรงไอ้บุญกุศลที่เป็นหนทางไปสู่โลกุตระธรรมอย่างนี้มันก็มีบุญกุศลที่นำจิตวิญญาณนี่ให้ไปเกิดสวรรค์ชั้นฟ้าก็มี บุญกุศลที่นำดวงจิตวิญญาณนี่ให้เกิดเป็นคนอีกก็มีมันแล้วแต่ใครสร้างบุญมากน้อยเพียงใดบุญมันก็แต่งให้ตามกำลังของบุญที่คูณนั้นทำนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้บางคนไปเห็นเขามีบุญเขารวยเงินรวยทองก็หาว่าเขานั่นช่อโกงอะไร่ต อ, อะไร สมบัติของผู้อื่นเราเป็ของตนเนี่ยเดาเอาทั้งที่ตนก็ไม่เห็นว่าเขาชอบโกงอะไรเห็นเขามีเงินแล้วนึกว่าเขาชอโกงทั้งนั้นเลยอนั่นเรียก ว, ว่าความอิจฉาลิสิยามันก็เป็นกิเลสอันนึงในอุปกกิเลสสิบหกนั่นแะดังนั้นเราจึงไม่ควรที่ไปอิจฉาลิสิยาคนอื่นเขา เขาทำดีเขาล่ำรวยเขามั่งมีแล้วก็อนุโมทนาสาธุด้วยเช่นนี้มันก็ไม่มีกรรมไม่มีเวรอะไรอ่ามันเป็นงั้นนี่แหละให้พึ่งพาการเข้าใจการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่สรุปใจความแล้วก็เพื่อที่จะมาชำระใจที่เศร้าหมองนี่แหละให้พ่องใส คั้นถ้าใจเศร้าหมองกู ม, มัวลำเป็นทุกเรื่องมันนะ่ะถ้าใจผ่องใสสะอาดแล้วเป็นสุขสบายดีดังนั้นนะทุกคนขอให้พยายามทำใจของตนให้สะอาดให้ผ่องใสอยู่ด้วยกุศลธรรมต่างๆดังสแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้